สีอัตถกถากันติกะอจุถาระหนึ่งกุศลติกะห3 8่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชน ide. สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ 4. สสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล1 3ึ่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนัย จิตตุปปาบาทที่เป็นอกุศลสิบสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล1386สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นฉนะวิบากในภูมิ4อัพยากะตะกิริยาในภูมิ3รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตสเวทนาติกะ1387 สภาวธรรมที่สำปรยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สรารคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวาจรกุศลสฝ่ายอากุศลสฝ่ายวิบากแห่งกามาวาจรกุศลหและฝ่ายกิริยาอย่างห้าดวงฌานสและฌาน4ที่เป็นรูปาวาจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสและฌาน4ี่ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบาก เว้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนา1น8 8สาสภาวัรรมที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยทุกขเวทนาเป็นเชนะ่ไหนจิตตุปบาทที่สวรคตด้วยโสมนัสสองและกายวิญญาณที่สารคตด้วยทุกเว้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้ว สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา1389สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นไฉ น, นจิตตุปปาฏิที่สารคตด้วยอุเวขาฝ่ายกามาวจรกุศลสฝ่ายอากุศลหฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลสิฝ่ายวิบากแห่งอกุศลหฝ่ายกิริยาหรูปาวจร จะตุทชานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูปาวจรสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจะตุทชานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ ด, ด้วยทุกขมะสุขเวทนาเวทนาสามรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุก ข, ขมสุ ข, ขเวทนาสามวิปากติกะ1390สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นฉไนะวิบากในภูมิสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นวิบาก1391สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นฉไนะกุศลในภูมิสและอกุศล สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นฉไหนะอัพยากตากริยาในภูมิสรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก 4. อุปาทินติกะหนึ่ สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไฉนวิบากในภูมิสามและรูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน 1,394 สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉนะกุศลในภูมิสาอากุศลอัพยากตากิริยาในภูมิสาและรูปอันกรรมไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน หนึ่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไหนมรซีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกขสามัญญผลสีและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหา สังกิริทติกะหนึ่ันสากาสิบหสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไนอกุตตะลจิตตุปปบาท 12, สิบสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเล13 97, ส1397สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไน กุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอพยากตากิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส1398สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไหนมักสีที่ไม่นับเนื่องในวัตตะทุกสามัญญผลสี่และนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 6. กสวิตตกะติกะ1399สสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นฉไนะกามาวจรกุศลอากุศลจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอากุศลสองฝ่ายกิริยาสิอ รูปาวจรปัรมาชฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระปัตมะฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิตกกและวิจาร์ที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่วมีทั้งวิตตกและวิจารณ์ 1,400 สสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นฉนะทุติยชาในรูปาวจร ปัญจกนัยฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาทุติยชาในโลกุตระปัญจกนัยฝ่ายกุศลและวิบากและวิตกเว้นวิจาร์ที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์1 4งสยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจาร์เป็นฉไหนทะวิปัญจวิญญาณทั้งหมดฌานสและฌานสี่ ที่เป็นมรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากแห่งกิริยาฌานสและฌานสี่ฝ่ายที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลวิบากวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในทุติยฌานในปัญจกนัยรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีทั้งวิตตกกวิจารณ์วิจารณ์ที่เกิดพร้อมกับวิตตกกล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตตกกวิจารณ์ ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ 7. ปีติติกะหนึ่สภาวะธรรมที่สรารคตด้วยปีติเป็นไฉไหนจิตตุประบาทที่สรารคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศนสฝ่ายอากุศลสฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลหฝ่ายกิริยาหทุติยฌ า, านสอง และฌานสาที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสองและฌานสาที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหารคด้วยปีติ1403สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นเไหนะ จิตตุปาบาทที่สารคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศลสีฝ่ายอากุศล4ีฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล6กฝ่ายกิริยา5้าฌาน3และฌาน4ที่เป็นมรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌาน3และฌาน4ที่เป็นโลกุตระกุศลและวิบากเว้นสุขที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้ว สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุขหนึ่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นฉนจิตตุปปบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวาจรกุศลสฝ่ายอากุศลหฝ่ายวิบากแห่งกามาวาจรกุศลสิบฝ่ายวิบากแห่งอากุศลหฝ่ายกิริยาหรูปาวาจรจตุทชาญ ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูปสีฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจัตุตฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยอุเบกขาปีติไม่สหรคตด้วยปีติแต่สหรคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขา สุขไม่สรคตด้วยสุขแต่ที่สารคตด้วยปีติไม่สารคตด้วยอุเบกาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสารคตด้วยปีติก็มีจิตตุปปาบาทที่สารคดด้วยโทมนัสองกายวิญยาณที่สารคตด้วยทุกอุเบกขาเวทนารูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่าสารคตด้วยปีติ สะหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขา 8. ทัศนติกะ 1,405 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นฉไนะจิตตุปปาทที่สะรคตด้วยทิฏฐิ4ี่ดวงจิตตุปปาทที่สะรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัตหนึ่ร้อยหก สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื men, ้องบนสาเป็นฉไนจิตตุปปาทที่สารคตด้วยอุทธจจะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาจิตตุปปาทที่สารคตด้วยโลภวิปยุจจากทิฏฐีจิตตุปปาทที่สารคตด้วยโทมนัตสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมรคก็มีต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มี 1,407 สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นฉไนกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัพยากตากิริยาในภูมิสมรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนส 9. ทัศน์เหตุตุติกะ 1,408 สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นไนจิตตุปปาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสีด่ดวงจิตตุปปาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเว้นโมหะที่เกิดในจิตตุปปาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักหนึ่ันสี่ร้อยเกสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นไน จิตตุปปาทที่สรคตด้วยอุทธัจจะเว้นโมห oh ะที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาจิตตุปปาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุจจากทิฏฐิ4จิตตุปปาทที่สรคตด้วยโทมนั ส, สองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรค ก, ก็มี มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสก็มี14ึ่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสาเป็นฉ น, นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาโมหะที่สหรคตด้วยอุทธจักกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัปยากตการิยาในภูมิสรูปและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนส 10. อาเจยคามิติกะ1411สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุดติเป็นไนะกุศลในภูมิสามและอกุศล ส, สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุดติ 1412สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นฉไนะมัคคีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน1413สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพานเป็นฉไนะวิบากในภูมิ4อัพยากตกิริยาในภูมิสมรูปและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพาน 11. เอเศคติกะ 1414. สภาวธรรมที่เป็นของเศคบุคคลเป็นฉไนมะักสีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกษามัญญผลเบื้องต่ำสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของเศคบุคคล 1415. ห สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเป็นไนะอรหัตผลที่เป็นผลเบื้องบนสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของอาสขบุคคล 1,416. สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นไนะกุศลในภูมิสามอากุศลวิบากในภูมิสามอพยากตกิริยาในภูมิสามรูปและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นของเสกบุคคลและอะเสกบุคคล 12. สปริตติกะ1417สสภาวธรรมที่เป็นปริฏตะเป็นฉไหนะกามาวจรกุศลอกุศลกามาวจรบิบากทั้งหมดกามาวจร อ, อพยากะตะกิริยาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปริฏตะ 1418สภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นฉนะกุศลและอภยากริตที่เป็นปรูปราวจรและอรูปราวจรสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นมหคตะ1 4่งสภาวธรรมที่เป็นอั ป, ปมาณะเป็นฉนะมัคคีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุ สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอปปมานะสิบสามปริตรารมณติกะ1น2 0ัสสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์เป็นฉนหนกามาวาจรวิบากทั้งหมดมโนธาตุที่เป็นกิริยามโนธาตุที่เป็นอเหตุตุกกะกิริยาซึ่งสระคดิโสมณัต สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริะปร 21, ตะเป็นอารมณ์1 4 2 1สสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นฉไนวิญญาณัญายตนะเนวสัญญานา meow. สัญญยตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมหคตะเป็นอารมณ์1 4 2 2สภาวธรรมที่มีอัปปามนะเป็นอารมณ์เป็นฉนะ มัคคีที่ไม่นับเนื่องในวัตถทุก์สามัญญผลสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอปปมาณะเป็นอารมณ์จิตตุปปาทที่เป็นญาณวิปยุตจากกามาวจรกุศล ส, สี่จิตตุปปาทที่เป็นญาณวิปยุตฝ่ายกิริยาสี่อกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มี มีมหคัตเป็นอารมณ์แต่ไม่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคัตเป็นอารมณ์ก็มีจิตตุปปบาทที่เป็นญาณสัมปยุทธ์ด้วยกามาวจรกุศลสี่ฝ่ายกิริยาสีรูปาวจรจะจุดทะฌานฝ่ายกุศลและกิริยา มนโนวิญ ญ, ญาณาธาตุที่เป็นเหตุตุกกะกิริยาซึ่งสรคตรด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีมีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีมีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีกล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี ฌานสามและฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาจะตุทะฌานวิบากอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะสภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอปปมานะเป็นอารมณ์รูปและนิพพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้ 14. บี่ฮิติกะ 1.423 สาภาวธรรมชั้นต่ำเป็นไฉนะจิตตุปบาต ท, ที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นต่ำหนึ่งัสรภาวธรรมชั้นกลางเป็นไฉนกะุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอพยากตกิริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นกลาง 1425. สภาวธรรมชั้นประณีตเป็นไนะมักคีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นประณีต 15. มิจฉัตติกะ 1426. สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นไนะจิตตุปปบาท ที่เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตตะจิตสีจิตตุปปะบาทที่สรารคดได้โทมนัสสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีให้ผลไม่แน่นอนก็มี1427สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นไฉนะมัค4ีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวชอบและให้ผลแน่นอน1428สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นไฉ น, นจิตตุปปาบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4จิตตุปปบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปปาบาทที่สรคตด้วยอุทธจักกุศลในภูมิสาวิบากในภูมิสาม อัพยากตะกิริยาในภูมิสารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 16. มัคคาลามาติกะ1429สภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์เป็นฉนะจิตตุปบาฏิทที่เป็นยานสัมปยุตฝ่ายกามาวจรกุศลสี่ฝ่ายกิริยาสี่ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีแต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอธิบดีอริยมรรคสไม่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่มีมรรคเป็นเหตุที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอธิบดีก็มีรูปาวจรจตุทชาญที่เป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายกิริยา มโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุกกะกิริยาซึ่งสะหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุที่ไม่มีมรรคเป็นอธิบดีแต่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีจิตตุปปบาทที่เป็นญาณวิปยุติอกุศลทั้งหมดวิบากแห่งกามาวาจรทั้งหมดจิตตุปปาบาทฝ่ายกิริยาหก ฌานสาฌานสที่เป็นรูปาวาจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาวิบากแห่งจตุตฌานอารูปฌานสี่ฝ่ายกุศลวิบากกิริยาและสามัญญผลสี่สภาวาธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีรูปและนิพพานรับรู้อารมณ์ไม่ได้ 17. อุปัิสติกะ 14ึ่งพสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นฉนยัยวิบากในภูมิสี่รูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดแน่นอนก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดกุศลในภูมิสี่อกุศลอัพยากตกิริยาในภูมิสารูปอันกรรมไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดขึ้นก็มียังไม่เกิดขึ้นก็มี แต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนิพพานกล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอน 18. บแปอติตติกะ1 4 3่เว้นนิพพานแล้วสภาวธรรมทั้งหมดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิพพานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน อติตารัมนาติกะ1432สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นฉไนวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์1433สสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อย่างเดียวไม่มี 1434สยีภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นฉนปัญจวิญญาและมโนธาตุสาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์จิตตุประบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลสิบมโนวิญญาณธาติที่ถรคต ด, ด้วยอุเบกขาฝ่ายอากุศลลวิบากมโนวิญญาณธาติที่เป็นเหตุกกกิริยา ซึ่งสารคตดีโสมนัสสภาวธรรมเหล่านี้ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีกามาวจรกุศลอกุศลจิตตุปปาบาทฝ่ายกิริยาเกรูปาวจรจตุทชาญฝ่ายกุศลและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีและกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ฌานสและสี่ที่เป็นรูปราวจรฝ่ายขุศนวิบากและกิริยาจะตุทชาวิบากอากาสาัญจายตนะอากิจัญญยายัตนะมัคสีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ สามัญญผลสี่สภาวธรรมเหล่านี้กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์รูปและนิพพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้ยี่สิบจชตติกะหนึ่งพัหเว้นรูปที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์และนิพพานแล้วสภาวธรรมทั้งหมดที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีรูปที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์และนิพพานชื่อว่าเป็นภายนอกตน 21. อัจชตารามาติกะ 1436. สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นฉนะวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์1437สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นฉนหนฌานสามและฌานสี่ที่เป็นบรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาจะจุททชานวิบากอากาสานัญจายตนะมัคสีที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกรและสามัญญผลสี สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เว้นรูปแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เป็นกามาวจรทั้งหมดรูปาวจรจตุทชาลฝ่ายกุศลและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีอากินจัญญายตนะกล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์รูปและนิพพานชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้ 22. สนิทัศนติกะหนึ่ สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นไนะรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้และกระทบได้1439สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นไนะจักขายตนะโพธพายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ 1440สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นไนกุศลในภูมิสอกุศลวิบากในภูมิสี่อภยากตากิริยาในภูมิสรูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกะอทุถาระจบ